เวลาที่เราประกอบความเพียรแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายที่จะง่วงนอนนะมันก็หลายๆอย่างหลายๆแบบซึ่งการที่เรานั่งแล้วเราง่วงมันก็ต้องหาอุบายให้ตัวเอง ไม่ใช่เตยยอมแพ้อย่างเดียวม่วงยอมแพ้ไปแล้วนอนดีกว่าเอาหัวฟาใส่หมอนเลยเราอดทนบ้างอาจจะนึกบทสวดมนที่เราสวดได้สวดไปสักบทสองบทสามบทมันมันน่าจะพอคลายม่วงได้บ้างหรือถ้ามันยังไม่ได้ ว่าไปลุ ก, ลกไปล้างหน้าล้างตาถ้านั่นก็ไปเดินแต่ถ้าเดินแล้วมันยังง่วงเนี่ยมันก็ไม่รู้จะยังไงนะก็ไปนอนให้มันสดชื่นสัหน่อยหนึ่งก่อนแต่ตอนที่นอนเราก็กระทําให้ในใจสัหน่อยก่อนว่าเราพักสัก นิดเดียวให้มันคลายง่วงลงบ้างถ้ามีสติรู้สึกตัวขึ้นราจะลุกทันทีไม่กลับไ่นอนซ้ำแล้วก็จะลุกขึ้นมาประกอบความเพียรจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิก็ตามขณะที่นอนแล้วเรามีสติรู้ตัว เขึ้นปุ๊บเราก็ลุกขึ้นมาทําความเพียรบางทีมันก็ไม่ง่ายนะคนได้ได้ลงไปนอนแล้วเนี่มันมันก็มันก็ติดหน้าความขี้เกียจมันก็ครอบงำใจิตใจเราได้มันก็ต้องฝึกเนี่ย ฝึกที่จะหักห้ามบางทีร่างกายมันพักพอแล้วแต่ใจมันยังอยากพักอยู่คือขี้เกียจนะนะมันก็มันก็นอนต่อหน่อยแต่ถ้าเรารู้ว่าอา้าวอันนี้มันเป็นกิเลสในใจเราจะไม่ส่งเสริม ไม่ต่อเติมให้มันมีกำลังมากขึ้นนั้นเราต้องรีบลุกขึ้นมาทำความเพียนอันนี้เราก็จะได้นอกจากว่าจะได้กำลังสติที่แจ่มชัดขึ้นหลังจากที่เราได้พักสักหน่อยหนึ่งแล้วเราก็จะได้ได้ฝืนได้ความอดทน ได้ความที่เราได้ฝืนกิเลสได้นะกิเลสมันเวลาที่มันโดนฝืนแบบนี้เนี่ยมันก็โดนแผดเผาโดนป อ, อกลอกดนลอกออกออกจากใจของเราซึ่งอยู่บ้านเนี่ยมันก็จะง่ายด้วยนะพออยู่บ้านมันก็จะไม่มีคนคุมแล้วเนี่ยเราก็ต้องคุมตัวเอง เพราะฉะนั้นกำลังใจก็จะต้องเข้มแข็งขึ้นอีกหลายเท่าตัวมากกว่าตอนที่เรายังอยู่ในคอร์สปฏิบัติอยู่กับหมูเม่เพื่อนที่หมู่เพื่อนทําเราก็ไม่ทําตามเขาเราก็รู้สึกเกรงใจอันนี้มันก็ยังเป็นเงื่อนไขที่ยังผูกมัดกันอยู่ แต่พอที่เราได้อยู่คนเดียวกับบ้านเป็นชีวิตปกติแล้วเนี่ยอันนี้ไม่มีใครบังคับเลยมีแต่ตัวเองล้วนๆที่จะต้องคอยบอกคอยสอนคอยนำพาตนให้ให้ประกอบความเพียรอยู่เนืองเนืองเราก็ต้องคอยเป็น ทั้งพี่เลี้ยงทั้งคอยปลอบโยนมันบ้างคอยขู่เข็นมันบ้างเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้มันไปในทางดีนี่แหละก็เหมือนพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกลูกดื้อมากก็ต้องดุบ้างแต่ก็ต้องมีเหตุปวดนะไม่ใช่ว่าไม่พอใจอะไรก็ดุอย่างเดียว ทำผิดอย่างน้อยๆที่สุดก็ต้องมีเหตุผลว่าผิดอะไรสมควรที่จะดุ ก, ก็ดกุสมควรว่าก็ว่าจังหวะไหนที่ต้องปลอบโยนก็ปลอบโยนกันไปจังหวะไหนที่ต้องส่งเสริมให้กำลังใจเอาทำดีแล้วให้กำลังใจทำให้มันดีขึ้นก็ส่งเสริมไป ซึ่งการที่เรามาฝึกหัดปฏิบัติแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ได้ความเคยชินความคุ้นชินอันใหม่ขึ้นมานะเป็นความเคยชินความคุ้นชินที่เราจะได้มีใจที่ได้ห่างไกลาจากกิเลสหมือนที่เราสวดมนแล้วเราก็แปลกันล่ะพระอาหารหันต์ใช่ เป็นผู้ดับเปลิงกิเลสเปลิงทุกข์สิ้นเชิงก็คือเราไม่เล่าร้อนจากไฟไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสกิเลสมันก็มีแต่เราห่างไกลมันเราไม่ได้คบมันเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับมันคลุกคลีกับมันเหมือนแต่เก่าแต่ก่อน กิเลสมันก็อยู่ในใจเราใน่แหละมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเวลาที่เรามีธรร ม, มะเราก็ได้กีดกันกิเลสออกจากใจของเราไปกิเลสก็ไม่ได้มีอำนาจครอบนำจิตใจเราได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นโบราณอาจารย์ท่านเลยแปลไว้ว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลส ไกลจากกิเลส ก, ก็เพราะว่าเราเห็นโทษนั่นแหละเห็นโทษเราก็ไม่ครบไม่ครบไม่ซ่องเศษไม่ให้มันมีอำนาจกับเราอีกก็ห่างไกลกันไปก็เหมือนเพื่อนะเพื่อนที่สนิทเราก็คบคุยกันบ่อยๆใช่ไหมคนไหนที่ไม่สนิทก็ห่างไกลกันไปก็ไม่ค่อยได้คุยไม่ได้ค่อยได้สัมสัน อตอนนี้ถ้าเราค่อยๆพิจารณาให้มันมากขึ้นมากขึ้นเราเห็นโทษเห็นเล่เหลี่ยมความไม่ดีไม่งามของกิเลสเราก็จะค่อยๆห่างไกลมันมากขึ้นนี่แหละห่างไกลกับมันห่างไกลกับมันแต่มันไม่ได้ห่างไกลเหมือนแบบอยู่กันข้ามจังหวัดไม่ใช่หรอกแต่ใจเราไม่ ไม่ใส่ใจไม่คลุกคลีเหมือนคนที่อยู่ด้วยกันทะเลาะ ก, กันสมมตินะอยู่ด้วยกันทะเลาะ ก, กันไม่คุยกันอยู่บ้านเดียวกันแค่แค่ก็เหมือนอยู่คนละบ้านฉันใดก็จักนั้นะเวลาที่เราเห็นโทษของกิเลสเราก็ไม่อยากที่จะไปคลุกคลีกับมัน มันก็อยู่กับเรานี่แหละอยู่ด้วยกันแต่เราไม่ใส่ใจมันมันก็ห่างไกลกันไปซึ่งพอเราทำอย่างนี้ได้ค่อยๆที่จะเริ่มชินค่อยๆที่จะเห็นคุณค่าของการที่เรามีสติรักษาใจ เราเห็นคุณค่าของการที่เรามีสติรักษาใจเราก็มีความขยันหมั่นเพียรที่จะทำให้มันเป็นนิสัยให้มันดีขึ้นพอเราทำจนเป็นนิสัยเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะสบายขึ้นไม่ต้องบังคับไม่ต้องฝืนเท่าเก่า ความคล่องตัวมันก็มีมากขึ้นแล้วสุดท้ายเวลาที่เราทำเหตุได้อย่างชำนาญผลที่ได้มันก็ปรากฏไหวขึ้นแน่นอนผลที่ได้ก็คือใจเราก็จะมีคุณสมบัติที่ห่างไกลจากกิเลสมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอห่างไกลจากกิเลสมากขึ้นมากขึ้น จิตใจของเรามันก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นเป็นใจที่ไม่มีเครื่องเศร้าหมองรบ ก, กวนอยู่บ่อยๆใจของเราก็จะเป็นใจที่ปราศ จ, จากเครื่องเศร้าหมองได้ดีพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเอาไว้ว่าจิตเตสังกะิเต ท, ทุกติปาติกังขา ก่อนตายเนี่ยจิตเศร้าหมองก็มีทุกติเป็นที่หวังพูดง่ายไอความเศร้าหมองของใจณนะจุดสุดท้ายของจิตของเราเนี่ยมันก็เป็นอำนาจนำพาเราไปทุกติแต่ถ้าก่อนตายเนี่ยจิตเรามันไม่เศร้าหมองเราก็ไปสุกติอันนี้มันก็เป็นเบื้องต้น ที่อะไรมันจะให้ผลก่อนซึ่งการที่เรามาฝึกหัดแบบนี้เนี่ยจิตใจของเราห่างไกลจากเครื่องเศร้าหมองได้อยู่จนเป็นนิสัยได้อยู่อย่างชำนาญเพราะฉะนั้นโอกาสที่ก่อนตายเนี่ยใจของเราเนี่ยมันจะย้อนกลับเข้ามาในภายในระลึกนึกถึงพุทโธระลึกนึกถึงลมหายใจแล้ว ห่างไกลจากเครื่องเศร้าหมองเหมือนอย่างที่เราฝึกกันแบบนี้แหละมันง่ายมันก็อาจจะเป็นอัตโนมัติที่เวลาความตายจะมาเยือนมันก็ย้อนกลับเข้ามาตรงนี้แหละเป็นจุดที่เราสร้างเอาไว้ดีแล้วเป็นจุดที่ใจมาอยู่แล้วใจก็ห่างไกลจากเครื่องเศอ้าหมองได้ แต่ถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกได้หัดได้ปฏิบัติเนี่ยก็ยังวัดดวงกันไปยังรับประกันตนยากหน่อยเพราะว่าพอไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดความเคยชินความคุ้นชินของเขาเป็นแบบไหนมันก็มันก็ตอบไม่ไดม้มันจะเป็นอัตโนมัติแบบดีหรือแบบไม่ดีแต่ส่วนมากคนที่ไม่ได้ฝึกหัดมันก็จะไม่ค่อยดีเลย อย่างบางคนก่อนตายใจยังคิดถึงครอบครัวไม่ปล่อยวางแล้วยิ่งอาจจะมีความห่วงหาอาทรทำให้ใจเรามันหดหูเพราะว่าลูกกล็ลำบากพ่อแม่กล็ลำบากนี้เป็นต้นใจมันก็เศร้าหมองนั่นแหละเศร้าหมองมันก็ไปทุกข์กติ อาจจะไปเป็นสัมภเวสีอยู่แถวบ้านก็ได้ว่าจิตมันก็ผูกพันกันไปแต่ถ้าเราได้พิจารณาอย่างดีแล้วเนี่ยเวลาที่จิตมันไปผูกพันเรื่องไหนก่อนจะตายเนี่ยมันก็ทำอย่างนี้แหละอ๋อใจเรามันไปผูกพันกับเรื่องนั้นนะเรื่องนี้นะคนนั้นนะคนนี้นะ โอยเราจะตายอยู่มันมารำมา่ออยู่แล้วตายไปเราก็ไปกับเขาไม่ได้เขาก็ไปกับเราไม่ได้งั้นเราไม่ปลูกใจไว้มันก็จะดีกว่าเอาใจเรามาปลูกกับพุทโธปลูกกับลมหายใจเข้าสมาธิดีกว่าแต่ถ้าคนไม่ฝึกหัดปฏิบัติมาเนี่ยถึงแม้จะคิดได้ ก็ไม่แน่ว่าจะทำได้ก่อนตายการที่เราจะมีทักษะทางใจอ่ะมันไม่ได้ปลุกปรับมันจะมีขึ้นมาในทันทีทันใดที่ไหนไม่ใช่มันก็มาจากการที่เราฝึกซ้อมสั่งสมมาเลยเอาไปใช้ตอนไหนใช้ตอนจะตายเพราะั้นการที่เรามีความเคยชินมีความคุ้นชินกับนิสัยที่เราจะ ทำให้ใจของเราห่างไกลจากโลภะโทสะโมหระรคกะได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งรับประกันตัวเองว่าเราก็จะมีโอกาสมั่นใจได้ไปสุคติมากกว่าไปทุขติแน่นอนอย่างพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอันเป็นที่รักของเราเนี่ยถ้าเราคิดว่า เรายังห่วงใยเขาอยู่เรายังมีความหวังดีกับเขาอยู่เรายังปรารถนาถ้าเขาตายไปก็อยากให้ไปสุขติสิ่งที่เราควรทำก่อนตายไม่ใช่ว่าเราไปปลูกพันธ์กับเขาตอนที่เราจะตายอันไม่ถูกสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราพยายามสร้างเหตุสร้างเหตุให้เขา สั่งสมบุญกุศลมากๆให้เขาได้มาฝึกหัดปฏิบัติทางด้านจิตใจบ่อยๆเราก็สร้างเหตุให้เขานั่นแหละส่วนเขาทำแล้วเขาทำได้เขาทำดีมันก็เป็นเครื่องรับประกันในตัวของเขาเองนั่นแหละว่าเขาก็จะไปสุขติซึ่งถ้าเรามั่นใจได้ว่าเขา มีโอกาสที่จะไปสุขคติแน่นอนอย่างเงี้ยเราก็คลายความกังวลไปได้เยอะอย่างพ่อแม่ก็เป็นกัลยาณมิตรให้ลูกใช่ไหมบางทีก็พาลูกทำบุญแต่เล็กแต่น้อยพาเข้าวัดเข้าวาร์ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมบ้างได้ฝึกผัดสมาธิบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องดีลูกโตแล้วนี่ พ่อแม่แก่แล้วนี่ก็อาจจะแบบโอร่างกายมันก็ลําบากลาบนบางทีก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะไปวัดไปวาแล้วแล้วก็พอแก่ขึ้นมีลูกมีหลานก็มีความผูกพันรักใคร่นะลูกหลานใครๆก็รักใช่ไหมแต่บางทีก็อาจจะละเลยการดูแลจิตใจของเราไปก็มีความผูกพันกับลูกหลานไป เพราะนั้นหน้าที่ของลูกก็คือก็ต้องพยายามสร้างเหตุดีๆให้พ่อแม่เหมือนกันสร้างเหตุให้พ่อแม่ได้มีโอกาสที่จะมีสติระลึกถึงเครื่องอยู่ที่ดีแต่ระลึกนึกถึงคำสอนแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะทําความสงบใจได้ทําความสงบใจเป็น มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นความจริงของธรรมชาติที่พระพุทธองค์ทรงสดแสดงเอาไว้ทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายเสื่อมแอันนั้นก็จะทําให้ท่านก็จะเป็นผู้ที่ไม่เลือนหลงเป็นผู้ที่มีสติแล้วก็เป็นผู้ที่ ได้ดูแลรักษาจิตใจของตนเองได้ดีอย่างพระพุทธองค์ก็ได้ทรงเปรียบเอาไว้ว่าท่านที่เราจะเป็นลูกที่เป็นบุคคลที่กระตันยูมากๆเนี่ยท่านเปรียบเหมือนกับเราคอยดูแลพ่อแม่อย่างดีเลย เอาพ่อแม่มาอยู่เหมือนตั้งไว้บ่าซ้ายบ่าขวาไม่ต้องทำอะไรวันๆเรดูแลอย่างดีอะไรกเป็นครอเปรียบเทียบะนะไม่ใช่เอามาตั้งไว้บนบ่าเราจริงๆนะทำไมถึงว่าดูแลอย่างดีดทีที่สุดเท่าที่ที่จะทำได้ให้ดูแลเรื่องปัจจัยสอาหารการกินอยู่ยาที่อยู่อย่างดี ตลอดร้อยปีเลยทําอย่างนี้ไม่มีบกพร่องทําแบบนี้นี่ก็ยังยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้กระตันยูนิดหน่อยแต่คนที่เป็นลูกกระตันยูจริงๆแล้วเนี่ยพุทธโองกงส่งสรเสริญกับบุตรที่สามารถทําให้พ่อแม่ ที่ไม่มีศีลมารักษาศีลได้ไม่เคยบริจาคทานก็ทำได้ไม่เคยทำความสงบใจเป็นก็ทำเป็นแล้วก็ได้มามีปัญญาเคลื่อน ตักทอนกิเลสออกไปจากใจอันนี้ก็เป็นบุตรที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมากขึ้นไปว่าเป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่มากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าสามารถที่จะทำให้ท่านเดินอยู่บนทางเดินหรือสามารถที่จะทำให้บรรลุคุณธรรมในศาสนาได้ ก็ยิ่งเป็นบุตรที่ประเสริฐซึ่งคุณทําในศาสนานี้การที่เราทำไปแล้วมีผลทางทางจิตใจที่มันเยี่ยมยอดในศาสนานี้ก็มีแจกแจงไว้4แบบที่เรียกว่าพระอริยบุคคลการที่เราทำให้พ่อแม่ สามารถที่จะดําเนินและพาตนไปถึงเป็นอริยบุคคลแม้เป็นเพียงโสดาบันได้ก็ประเสริฐมากเป็นบุตรที่ประเสริฐมากเพราะว่าการได้คุณธรรมที่เรียกว่าโสดาบันมาเนี่ยก็จะมีผลที่ได้ก็คือมีอันไม่ตกต่ําไม่ตกต่ําหมายความว่าไม่ไปนรก ไม่ไปอบายาภูมิไหนๆก็มีสุขติภูมิเป็นที่ไปโดยถ่ายเดียวแล้วก็ความเกิดที่จะต้องเกิดแบบนับไม่ถ้วนนะก็จะโดนจำกัดลงเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากซึ่งถ้าบุตรคนไหน สามารถทําให้พ่อแม่ได้แบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอภิชาติบุตรเป็นบุตรที่เลิศบรที่ยิ่งใหญ่ทีนี้ก็กย้อนมาถึงตรงที่ว่าการที่เรามาฝึกหัดปฏิบัติก็เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะไปใช้สุดท้ายครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะตายเลยถ้าเรายังไม่ได้สามารถทําให้คุณธรรม ที่เรียกว่าอริยะบุคคลเกิดขึ้นกับเราได้เราก็ไม่เป็นไรเราก็สั่งสมไปเรื่อยๆซึ่งมันก็วัดการตรงที่ใจที่ก่อนที่จะตายมันเป็นยังไงมันมีกุศลไหมหรือเป็นอะกุศลแต่มันก็จะมีกรรมบางประเภทที่ให้ผลก่อนเพื่อนเลย ทังฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีนะทางฝ่ายไม่ดีที่ให้พ้นก่อนอื่นก่อนเพื่อนเลยก็คือว่าถ้าเราทำไปแล้วนี่หลังจากที่เราทำไปแล้วเราจะทำกรรมดีมากน้อยขนาดไหนก็ไปต่อคิวข้างหลังซึ่งกรรมชั่วที่ว่านี้ก็คือที่เขาเรียกว่าอนันตริยกรรมห้าอย่างก็คือข่าพ่อ ค่าแม่ค่าพระระขันแล้วก็ทําส่งให้แตกกันแล้วก็ทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยถึงกับหอบพระโลหิตซึ่งถ้าทาอย่างใดอย่างหนึ่งในห้าอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยผลของกรรมอันนี้ให้ผลก่อนเลยให้ผลก่อนตายปุ๊บตัวนี้จะให้ผลก่อนเพื่อน ไม่ว่าเราจะมีกรรมดีตุนมาขนาดไหนก็ตามอันนี้ให้ผลก่อนแล้วก็ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่มักคผลนิพพานไอ้กรรมตัวนี้มันก็จะบังเอาไว้ไม่สามารถที่จะทำให้มรรคผลนิพพานบังเกิดขึ้นได้กับคนคนนั้นซึ่งในตามพุทธประวัติก็มีอยู่ พระเจ้าอาชาติสัตรูใช่ไห้ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นพระราชบิดาตามคำยุยงของพระเทวทัตพอฆ่าไปแล้วนี่ก็มีความเดือดเนื้อร้อนใจก็จนถึงกับต้องไปปรึกษาขอความสบายใจจากพระพุธองพุธองก็เทศได้ฟังเเทศไปเทศไป จนมีความคลายความกังวลลงได้บ้างแล้วก็ได้กลับไปแล้วก็ได้ตรัสปารภกับพระนนท์ว่านี่ถ้าไม่ได้ทำปิดุฆาตไปคือฆ่าราชบิดานะฟังเทศน์กันนี้จบเนี่ยท่านจะได้บรรลุพุทธธรรม อริยบุคคลเป็นโสดาบัลแต่พอว่าได้ทํากรรมหนักตัวนี้ไปแล้วนะมันก็ปิดบังปิดกัน้นมรรคผลนิพพานก่อนวิธียย่างไงก็คือไปรอชดใช้กรรมอันนี้ก่อนให้กรรมอันนี้มันให้ผลจนหมดสิ้นซสียก่อนแล้วกรรมอื่นๆก็ค่อยว่ากันตามตามความที่มันจะออกที่มันจะให้ผล ส่วนกรรมดีที่มันให้ผลก่อนก็มีอย่างเช่นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนี้ยเข้านิโรธสมาบัติหรือพระอรหันต์สาวกท่านเข้านิโรธสมาบัตินีในตามท้องเรื่องที่ได้เขียนแล้วไว้ในพระไตรปิฎกอย่างนี้ผลที่ได้มันก็มากใช่ไหมใครทําบุญก็ได้ผลมากเหมือนกันทําบุญก็ได้ผลเยอะ เป็นเน้นาบุญที่ดีแล้วก็อย่างที่เรามาฝึกหัดปฏิบัติอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นกรรมดีใช่ไหมล่ะอย่างถ้าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปก่อนที่เราจะตายนีจจ่เราอาจจะเคยทำกรรมชั่วอะไรมามากมายแต่ตอนที่เราได้ทำกรรมดีจนถึงขั้นที่เราบรรลุคุณธรรม แต่ไม่ได้หมายถึงว่าทำอนันตริยกรรมนะแต่หมายถึงว่าคาชั่วอืนอ่นรแล้วก็ทามาเยอะแต่พอเรามาถึงจุดตรงที่ว่าเราได้บรรลุคุณธรรมเป็นอริยบุคคลหรือเป็นพระอรหันต์ก็ตามพอเป็นพระอรหันต์ปุ๊บนี่ยกรรมทั้งหลายทั้งแหล่ที่เราเคยทำมาดีก็ตามชั่วก็ตาม เวลาที่ดับขันตัวนี้ไปแล้วมันก็จบกันจบเกมได้กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีก็ให้ผลไม่ได้ยกตัวอย่างก็เหมือนพระองคุลีมานคะ่ฆ่าคนเป็นพันหลายพันฆ่านจนนับไม่ท้วนฆ่าไปเอานิ้วตัดมา เก็บนิ้วไว้จะให้ครบพันตัดไปตัดไปเอนิ้วมันเท่าไหร่แล้วจาไม่ได้กันเอานิ้วมาร้อยเป็นเป็นเป็นพวงพวงไว้แล้วก็ห้อยคอไว้จะได้จำได้ว่าอาพวงนี้มีเท่าไหร่พวงนี้มีเท่าไหร่ครบหรื อ, อยังกว่าจะได้เนี่ยนิ้วมันก็เน่าบ้างอะไรบ้างเน่าไปก็ไม่ครบแหละพยายามทำให้มันครบให้ได้ กว่าจะครบพันเนี่ยฆ่าไปไม่รู้กี่พันถามว่ามันเป็นกรรมดีหรือเปล่ามันเป็นกรรมไม่ดีแน่นอนฆ่าคนแต่ก็ดีตรงที่ว่ามีกัลยาณมิตรอย่างพระพุทธเจ้ามามาพระองค์ทรงรู้ว่าถ้าศพสุดท้ายที่นิ้วจะครบพันเนี่ยเป็นศพของแม่ถ้าฆ่าแม่ไปปุ๊บ มังผลนิพพานที่สมควรจะได้ก็ไม่ได้แน่นอนพระจึงได้ส่งไปโปรดอันนี้ก็คงเป็นเนื้อเรื่องที่ทุกท่านก็คงจะเข้าใจดีอยู่แล้วล่ะเคยฟังกันมา่อท่านได้ฟังธรรมที่พระพุทธองค์ทร ง, งแสดงธรรมแล้วก็ได้บรรชาอุปสมบทแล้วก็ฝึกผัดปฏิบัติต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะ ก็จึงได้บรรลุ ค, คุณธรรมเป็นพระอระหันต์องค์หนึ่งในโลกเพราะนั้นอย่างเคสของท่านพระองคุลีมันก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่ท่านตายในอัตภาพนี้กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มันมีก็ให้ผลต่อไม่ได้แล้วอันนี้มันก็เป็นกรรมดีที่มันให้ผลแบบสุดตงทางฝ่ายดี ทางฝ่ายไม่ดีสุดโตก็คืออันันติยกรรมแต่ถ้ามันมันยังไม่ได้ทำอันันติยกรรมอ่ะเราก็มีสิทธิ์ที่ยังพอยือย้อๆกันไปได้พยายามสั่งสมกรรมดีให้มันมากๆรู้ว่าทำไม่ดีมามากเราก็ทำดีให้มันมากเหมือนอย่างในนิทานธรรมบทรก็มีอยู่คนหนึ่ง เป็นคนที่ก็ไม่ค่อยดีแหละท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าเป็นบุคคลที่สามารถที่จะฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าใครก็ได้คือพูดง่ายๆไม่ได้เป็นคนที่มีน้ำจิตน้าใจนะเป็นคนกักขะเป็นคนที่ไม่ได้คิดถึงบุญคุณน้ำใจใครใครมีผลประโยชน์ใครทำอะไรเห็นมีผลประโยชน์ก็ทำได้ชั่วก็ทำได้ สุดท้ายก็อยากไปเป็นโจรก็ไปสมัครเป็นโจรหัวหน้าโจรดูหมเหูเฮงแล้วโอ้ไอคนนี้ไม่ไหวขนาดโจรยังไม่อยากรับแล้วก็เลยไปรับบี้รองหัวหน้าซื้อนั่นไปให้ทำความดีให้คอยรับใช้จนเขาไปคุยกับหัวหน้าจนหัวหน้ารับรับนั่นหละ รับเข้าเป็นลูกน้องจนมาวันหนึ่งซ่องโจรตรงนี้ก็ถูกปราบปรามถูกจับหมดว่ากันเถอะแต่ด้วยทางราชการเขาก็อะไหนไหนมันจะต้องโทษประหารกันหมดอยู่แล้วเนี่ยก็เอาพวกนี้แหละฆ่ากันเองแล้วกันก็รับอาสาว่าถ้าใครสามารถที่จะฆ่าคนทั้งหมดนี้ได้ เราจะให้คนนั้นรอดมีชีวิตอยู่ต่อไปใ น, ในคนนี้ก็รับอาสาเลยก็คากันหมดขาดทิ้งหมดจนทางราชการเขาก็รับในคนนี้เนี่ยเขามีคราวคราวสีแดงก็เลยชื่อว่านายคราวแดงก็รับนายคราวแดงเนี่ยไปเป็นอยู่ในตำแหน่งเพชฌฆาต ฆ่าคนทางราชการก็ฆ่าคนมาตลอดชีวิตนจนถึงวันหนึ่งก็กเกษียณเพราะว่าเวลาตัดคอคนเนี่ยมันต้องใช้พลัง ก, กำลังเหมือนกันถ้าตัดคราวเดียวฟันฉับไม่ขาดเนี่ยมันก็ทรมานคนไปหน่อยเขาก็เลยคิดว่าคนนี้แก่แล้วกำลังถดถอยแล้วงั้นให้กเกษียณได้แล้วเดี๋ยวหาคนใหม่มาแทน พอคนนี้เสียณปุ๊บก็ได้มีโอกาสที่โอกาสว่างก็เลยเห็นภาษารีบุตรก็ได้จึงนิมนต์ท่านมาฉันพัทหารนะรับบาตรฉันพัฒหารซึ่งสมัยก่อนเวลาที่เขาจะอนุโมทนาบุญให้พรเนเขาก็จะเทศให้ฟังภาษารีบุตรก็เห็นว่า เขาก็มาประเคนข้าวยาคูคอยพัดวีให้นะแต่ด้วยเห็นว่ามีความกระสับกระส่ายอยู่เพราะว่าตัวเองก็ยังไม่ได้กินก็เลยบอกอุบาสกท่านก็ไปกินอาหารเช้าในส่วนของท่านก่อนก็ได้แล้วค่อยมาคุยกันพอท้องอิ่มแล้วใจสบายแล้วท่านก็ชันเสร็จแล้วท่านก็ได้คุยให้ฟังเทศให้ฟัง เทศไปเทศไปเทศไปก็สังเกตว่าเอา้าทำไมดูจิตใจมันไม่สงบดูมีความกระสับกระสายดิ้นรน mm hmm. ก็เลยลองถามดูนี่ก็บอกว่าโอ้ข้าพเจ้าเนี่ยฆ่าคนมาตลอดชีวิตเลยหลับตาเนี่ยฟังเทศไปเนี่ยภาพคนมันลอยออกมาลอยออกมาคนที่ฆ่ามันลอยออกมาตลอดเลย มันก็เลยทําให้จิตใจของของผมนี่มันไม่เป็นสมาธิสักทีมันร้อนแต่ด้วยว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดนะเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดภาษาลีบุตรก็เลยใช้อุบายล่อลวงเขาสักนิดหนึ่งให้เป็นอุบายที่ล่อลวงเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจมันสงบระนับลงได้ไม่ใช่หลอกลวงเพื่อเป็น ให้มันไม่ดีนะแต่ถือว่าเป็นอุบายที่จะทําให้ใจของเขาสงบลงท่านก็เลยถามว่าที่เขาฆ่าเนี่ยที่ฆ่าคนเนี่ยเราตั้งใจฆ่าหรือว่าคนอื่นเขาให้ฆ่าเอาถ้าคนอื่นเขาให้ฆ่าก็ไม่เป็นไรไม่ได้เกี่ยวอะไเราพอล่าหลอกด้วยคําพูดแบบนี้เพิบมอา้าวนั้นเบาใจทันที พอเบาใจทันทีจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้แล้วก็มีจิตที่เป็นสมาธิได้ตรองตามคําเทศไปสุดท้ายก็ได้บรรลุกุณธรรมเป็นพระโสดาบันพอเป็นพระโสดาบันนี่ก็ดีเลยไม่ต้องไปตกนรกที่ไหนทํำกรรมชั่วฆ่าคนมากแต่พอได้เป็น คุณธรรมพระโสดาบันขึ้นมานี่ก็ปิดประตูนรกไปเลยเป็นผู้ที่มีจิตใจมุ่งหน้าที่จะไปสู่พระนิพพานโดยถ่ายเดียวคนก็โจลดันเลยทั้งเมืองเพราะรู้ว่าในคนนี้ได้คุณธรรมโสดาบันขึ้นมาก็โจลดันทั้งเมืองเลยว่าเอา้าโอโ้โหคนนี้ทําไมฆ่าคนมาตลอดชีวิตแล้วทําไมมันอยู่ดีๆเป็นพระโสดาบาันแล้ว มีอันไม่ต้องตกนรกได้ทําไมนาะพระพุทธเจ้าก็เลยส่งชี้แจงให้ฟังว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เจอกัลยาณมิตรอย่างเช่นพระสารีบุตรเนี่ยแน่นอนตกนรกแน่นอนแต่เพราะเขาโชคดีที่มีกัลยาณมิตรที่คอยชี้ทางชี้บอกก็จึงสามารถที่จะทาพาตนให้ได้เป็น พระสดาบันขึ้นมาเพราะฉะนั้นกรรมดีที่ทำอันนี้จนได้บรรลุคุณธรรมสดาบันเนี่ยมันก็จึงทำให้คมชั่วที่ผ่า น, านมาเนี่ยโดนฟรีซไว้ก่อนโดนฟรีซเอาไว้ไปต่อคิวท้ายๆหนุนต่อคิวอยู่ข้างหลังอันนี้ให้ผลก่อนอันนี้คือแสงทางโค้งมาเลยมีอันที่ยังไม่ต้องตกนรก มีอันที่จะกลับมาเกิดเพียงอีกแค่เจ็ดชาติแต่ก็ไม่ได้บอกว่าภายในเจ็ดชาตินั้นจะไม่ได้รับผลของกรรมชั่วนะไม่ใช่ก็เหมือนอย่างท่านพระมหาโมคคลานะนั่นแหละท่านก็ยังต้องรับกรรมโจรต้องมาทุบโดนทุบจนตายชันใดก็ฉันนั้นอย่างกรรมดีที่มันให้ผลก่อนกรรมชั่วก็มีกรรมชั่วบางอย่างให้ผลก่อนกรรมดีก็มี เพราะฉะนั้นเราก็เร่งทําความดีให้มันถึงที่สุดให้ได้ในชาตินี้ยิ่งดีใหญ่เพราะฉะนั้นการที่เราจะบรรลุคุณธรรมโสดาบันเป็นอย่างน้อยได้ความเข้าใจทางจิตใจจําเป็นคุณธรรมคุณธรรมของโสดาบันก็คือการที่เราเข้าใจแล้วกิเลส ท, ที่มันคอยฝังอยู่ในจิตใจของเรา ทำให้เราคอยเวียนเกิดเวียนตายท่านจำแนกไว้10บอย่างก็โดนลดเลื่องออกไปสมอย่างสัมยติสินะเครื่องผูกรัดให้สัตว์ยังเวียนไห้ตายเกิดอยู่10อย่างพอ เ, เป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านละเอาไว้ออกไปได้สมอย่างก็คือสักยายติสิทิสิลปตป า, ามาและก็วิจิกิจฉาสมอย่าง แต่ตัวสำคัญก็คือตัวสักา ก, กายะทิฏฐิเนี่ยแหละที่เราพิจารณาจนเรื่อยๆจนมันซาบซึ้งลงไปในใจว่ามันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาเข้าใจถึงสภาวะความเป็นจริงตัวนี้ที่ใจจริงๆความเห็นผิดที่กิเลสคอยชักจูงว่านี่เป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลตัวตนเราเขามันก็ได้ถูกถอดถอนออกไป พอถูกถอดทอนออกไปความรู้ความเห็นที่ที่มีอันนี้มันก็ยิ่งทำให้ความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์มันหายไปเพราะความจริงมั น, มนปรากฏที่ใจมันจะยิ่งทราบซึ้งว่าอท่านตรัสไว้จริงแล้วท่านตรัสไว้เที่ยงแท้ดีแล้วธรรมะที่พระองค์ตรัสไว้เป็นของจริง แล้วก็ศิลปตัดมากคือเราก็ไม่ได้ทำแบบรูปๆคํากลั่นเรารู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรไม่ใช่ทำไปเพื่อทำให้ตัวเองขลังเป็นจอมขมังก็ไม่ใช่แต่เรารู้ว่าเราทำไปเพื่อเราจะพาตนให้มันหลุดพ้นปลดปลื้มความทุกข์ออกจากใจเพราะฉะนั้นคุณธรรมสาข้ออันนี้จะเป็นคุณธรรมสนบัต ประจําของพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันซึ่งถ้าเราสามารถที่จะทําให้สมข้อนี้บังเกิดขึ้นเป็นคุณสมบัติในจิตใจของเราได้อันนั้นก็ยิ่งดีเลยเพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดที่จะต้องมารับทุกข์กจากการเกิดการแก่การเจ็บไข้การตายความพลัดพร่าความแห้งใจความห่อเหี่ยวใจ ความคับแค้นใจอยากได้สิ่งไหนแล้วไม่ได้ก็เป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็เป็นทุกข์พลดพลากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์เหล่านี้เป็นต้นที่เราจะต้องเป็นผลพวงจากการที่เรามีความเกิดขึ้นมาเกิดมามีแก่มีตายมีความทุกข์กายทุกข์ใจแน่นอนแต่ถ้าเรามีชีวิตที่มันโดนจากัดลง เป็นไหวใจเกิดแค่เจชตช้าเห็นว่ามันดีมากทางแห่งความทุกข์ของเรามันก็จากที่มันเป็นไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายมันก็ดนจํากัดให้เห็นแล้วว่าเบื้องต้นคือตรงนี้เบื้องปลายก็คือเต็มที่คือเจตชาตเท่านั้นเองเขาขอให้หมันขยันตั้งใจทําแล้วก็พยายามทําให้คุณธรรม มันบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราให้ได้